พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19ตุลาคม2554มีชื่อเรื่องว่ากรรมจำแนกให้แปลกแตกต่างกันพระที่จำบรรษา48 พอรับกถิ่นเสร็จแล้วก็ลาสิกขาไปทำการงานเพราะลามาบวชก็มีเป็นพ่อค้าก็มีคนธรรมดาก็มีออกพรรษาแล้วก็ลาสิกขาพวกเราอยู่ด้วยกันเหมือนกับเมฆหมอกบางทีมันก็ผ่านมา แล้วก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านมาแต่ทางว่าผู้ที่ใจคับแคบเขาอึดดัดว่ามีมีหมู่มากแต่าตามให้จริงหมู่มากมันก็ต้องอึดดัดเป็นธรรมดาเพราะคนหมู่มากจะให้เหมือนอยู่คนเดียวจะได้อย่างไร แต่อยู่คนเดียวมันก็สบายหมู่น้อยมันก็สบายแต่พออยู่ไปอยู่มาก็ต้องคิดถึงหมู่อีกทำไมไมาอยู่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายว่าเวเองว้าเวเอ้างว้างเงียบเหลือเกินไม่มีใครมาหาก็วิ่งเข้ามาหาหมู่อีกพอวิ่งเข้ามาหาหมู่ ก็ว่าหมูมากไม่สบายสับสนวุ่นวายอันนี้คือความไม่พอดีมันอยู่ในใจของของของคนคนนั้นมันอยู่ในใจมันต้องปรับปรุงแก้ไขใจของตนเองในเมื่อเราจะจะอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อ ก็รู้ว่าอยู่องเดียวอยู่ตามลำพังแต่ใ น, นเมื่อเราจะาจะอยู่เพื่อการศึกษาอยู่กับหลวงตาถึงควรจะมากเราก็อยู่แบบคนมากก็หลบอยู่แบบคนมากช่วยแบบคนมากออกมาช่วยการงานแบบคนมากหลบปลีกู้จักกลีกตัวหลบปลีกปีกตัวแบบคนมาก แต่ไม่ใช่ว่าจะหลบหลีกจนไม่ไม่เห็นใครเลยจนไม่ให้ท่านใช้เราเลยเรามามีแต่เป็นขยะของวัดมาใช้ของวัดมาอยู่กับวัดมาอยู่มาฉันกับวัดพอฉันเสร็จแล้วหลบหลีกปีกตัวจากนั้นก็พอน้าก็โผมามาใช้งานมาอยู่มาฉันกับท่านมันไม่ไม่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นสําหรับหลวงพ่อ เคียงบากเกียงไหลทำหน้าที่ดีที่สุดเพื่อที่ทำหน้าที่นั้นก็เพื่ออะไรเพื่อการศึกษาในเมื่อเราศึกษากับคู่คนที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เราไปอยู่ด้วยท่านวางตัวอย่างไรกับคู่คนเหล่านั้น เราก็ได้ศึกษาในการวางตัวอย่าไปคุกครีจนเกินไปอย่าไปห่างจนเกินไปให้รู้จักในวิธีการพูดพูดขนาดไหนจึงจะพอเหมาะพูดขนาดไหนจะเป็นพิษเป็นภัยดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ดุอย่างเดียวก็ไม่ได้ดดไไดต้องรู้จักถ้าเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราจะเรียนรู้ทั้งหมด ทั้งอากับกริยาของท่านที่ท่านวางกับสิทธิ์แต่ละคนแต่บางคนเหมือนทาเหมือนกับปู่กับหลานแต่บางคนเข้าไปเลยเข้าไปใกล้ออตะแคงข้างเหมือนปลากัดทำไมไม่ทาไมเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาอีกเหมือนกันเพราะมันอยู่ในในในใจของท่าน แค่บางคนมาแบกทิฏฐิมานะเข้ามาหาท่านมันขวางท่านพอเข้ามาท่านก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมว่าจะเอาอย่างไงกับคนคนนี้แต่บางคนเข้ามาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเข้ามาด้วยความรบรักเคารพจต t าถ้าเข้ามาแล้วท่านก็วางอีกตัวอีกแบบหนึง่งอันนี้จริงเดี๋ยนี้เราถ้าอยู่ใกล้กูบาอาจารย์ผู้มีอายุพรรษาเราจะได้เรียนรู้ทั้งหมด ถ้าเราเพื่อการศึกษาเว้นเสียตะเราเข้าไปแบบทับพีแช่อยู่ในหม้ อ, อกแกงเอาลงในหม้ อ, อกแกงเราไม่รู้ว่าเผ็ดไม่รู้ว่าเค็มไม่รู้ว่าจืดไม่รู้เปรี้ยวเพราะทับพีแช่ไปนานๆก็มีตั้งแต่มันเกลือจะกัดทับเพีให้มันกร่อนไปตนเองไม่รู้รสของแกงอันนี้ฤท เราต้องเป็นลักษณะลิ้นต้องรู้รสของแกงเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวอ่ะอันนี้เราเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์ก็ควรจะเป็นเหมือนลักษณะลิ้นไม่ควรจะเป็นลักษณะทัพเพี๊แช่อยู่ในหม้อกแกงพอะเราจะต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งคนมากทั้งคนน้อย ทั้งวิธีการประพุทธปฏิบัติจากนั้นเราก็ยังได้เอาตำรับตำราพระไตรปิฎกมาศึกษาอีกเข้ากันได้ไหมกับที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือว่าเอาแนวธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันมาค้นคว้าศึกษาอีกประวัติของแต่ละองค์ท่านปฏิบัติอย่า ง, างไร แนวทางของท่านท่านสอนอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเอามาอ่านมาศึกษาอีกทั้งเทพทั้งหนังสือทำมเทศนาของท่านแต่และองค์ท่านสอนแนวทางไหนท่านได้อัดได้ทำอย่างไรแต่และองค์มันไม่เหมือนกันนะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเหมือนกับการทามาค้าขายคนหนึ่งกับขายน้ำมันคนหนึ่งกับขายข้าว คนหนึ่งก็ขายของซ้ําค น, นก็ขายยางพาราแต่มันมนีได้เงินเหมือนกันขวานได้เงินคํานี้แหละก็คือผลแห่งการปฏิบัติบางทีท่านก็หนักไปทางสมาธิบางทีก็ท่านหนักไปทางปัญญาวิปัสสนาเห็นอนิจจังเห็นทุกข์เห็นอนัตตาแต่และองค์ถ้าเราศึกษาดูแล้วจะไม่เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกัน เพรสิ่งเหล่านั้นเราจะนํามาประยุกต์ใช้กับตัวของเราอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทุ ก, ท, กทุกท่านที่เป็นพระสงฆ์ตลอดถึงคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมทุกคนก็เหมือนกันสรุปแล้วคือให้ใช้ปัญญาอย่าไปอยู่นิ่งเฉยมองดูมองดูพระสงฆ์มองดูพี่น้องประชาชนมองดูอุบาสกกุบาสิกาเราให้มองดูเหมือนเที่ยวมือของเรา นิ้วมือของเรามีนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลาง น, นิ้วนางนิ้วก้อยมันห้านิ้วทําไมไม่เหมือนกันมันอยู่ในนิ้วเกิดมาพร้อมกันทําไมไม่เหมือนกันจากนั้นเราก็มองดูโลกพี่น้องลูกหลานของเราทําไมไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นคนเหมือนกันทําไมกิริยากับกิริยามมรย่าตความรู้ความฉลาดความโง่ ทำไมไม่เหมือนกันจากนั้นเราก็มองอีกทำไมคนเราเกิดมาทำไมจึงจนทำไมจึงรวยทำไมจึงเรียนหนังสือเก่งไม่เก่งจะเลี้ยวฉลาดแต่ฉลาดแล้วทาไมโกงด้วยแต่ฉลาดแล้วทำไมมีปัญญารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทำไมคนเกิดมาแล้วทำไมโง่ทาไมฉลาดทำไมตาบอดทำไมหูหนวกทำไมขาขาดทำไมพิการ ทำไมเป็นบ้าทำไมเป็นมนุษย์เหมือนกันจากนั้นเรามองถึงสัตว์อีกขนาดสัตว์ที่ทชานบางตัวราไมดุร้ายทำไมนิสัยดีทำไมนิสยัสยเป็นอย่างนี้หมาแต่ละตัวสัตว์แต่ละตัวถ้ามองไปแล้วเราจะรู้ได้ว่ากรรมจําแนกสัตว์ส่วนหนึ่งให้เป็นไปแล้ว ก, กับกริยานิสัยของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อนมนุษย์ทางหลายเกิดมานะ้นไม่เหมือนกันเพราะเหตุใดจึงไม่เหมือนกันเพราะบาปบุญกรรมกรรมดีกรรมชั่วจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็จำแนกให้เราไปในทางที่ดีถ้าทำกรรมชั่วกำชั่วก็จะพาจำแนกเป็นหลายแผนกอีกเหมือนกัน กำชั่วหนักและกรมชั่วเบากรมชั่วอย่างไรประเภทอย่างไรเป็นแผนกแผนกกรมจำแนกตัวนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์อีกมันจำแนกได้ดียิ่งกว่า เ, เพราะคอมพิวเตอร์ใหญ่แต่ละคนเป็นคอมพิวเตอร์แต่ละคนมันเป็นคอมพิวเตอร์ใหญ่จำแนกอากับกิริยาของตนของเราแต่ละวีแต่ละวันแต่ละแนวความคิดเพราะฉะนั้น ให้พวกเราสังเกตดูคนเราเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 100, เป็นล้านมาอยู่ด้วยกันอยู่ที่ศาลานี่ยก็ถอะมีตามีหูมีจมูกมีอวั ย, ยวะเหมือนกันครบบริบูรณ์ของมนุษย์แต่ทําไมไม่เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันเพราะเหตุอะไรเพราะกรรมจาแนกกรรมจาแนกให้แตกแตกต่างกันนั้น ล, ละความคิดอีกต่างหาก ความคิดก็จะว่าอย่าว่าอย่าว่ามันคิดเป็นแนวแถวเดียวกันแต่ว่าคล้ายคล้ายกันนั่นเองบางครั้งแต่จะให้คิดแนวเดียวแถวเดียวกันเป็นไปอย่างนั้นได้ยากอันนี้ถ้าเราได้อ่านลึกลงไปถึงสรรพัตยานหรือว่าการกรรมหรือว่าการเป็นอยู่ของมนุษยชาติแล้วเราจะวางตัวถูกวางตัวถูกกมวลมนุษยชาติวางตัวถูกต่อ โลกวัตตะสงสารวางตัวถูกต่อสรพส ร, สรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมวลอะไรที่จะเกิดประโยชน์สําหรับเราเราไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นผู้อื่นไม่มาเบียดเบียนเราเราควรจะอยู่ในสถานะอย่างไรในแต่ละวีดแต่ละวันแต่ละเวลาเราควรจะตักตวงสิ่งไหนเข้ามาสู่จิตใจของเราตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนว่า โลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่าอยู่เราเห็นด้วยไหมถ้าเราพิจารณาเราเห็นด้วยเนีเราก็ได้นําแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเรานั่นแหะอีกสักวันหนึ่งเราก็จะประสบแต่ความสุขความเย็นใจสบายใจเราวางใจ เราจะไม่ทุกข์ใจกับใครเราจะไม่ทุกข์ใจกับตัวเองเราก็จะรู้จักสถานะและเราจะเดินอย่างไรวิถีชีวิตของเราเราจะเดินอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะเหมาะสม เ, ะเราไม่ต้องขวางหูขวา ง, วางตากับใครใคทั้งหมดแต่ถ้าอาวับภายนอกเราก็เราก็บอกเราก็กล่าวถ้ามันผิดกฎระเบียบเราก็ต้องดุด่าว่ากล่าวเป็นธรรมดาแต่เราอย่าไปทุกข์ใจกับสิ่งเหล่านั้น ในเพื่อพูดจบแล้วเขาฟังหรือไม่ฟังฮะถ้าไม่ฟังก็ไล่ออกจากหนีออกไปทางว่าเราพอจะหนีได้แล้วก็หนีออกข่างแต่เราไม่ใช่ฐานะที่จะหนีเราก็ต้องไล่เขาหนีออกะอย่างหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าวัด เ, เอ๊ถ้าซูเจ้าทำไม่ดีข้าหนี้ไม่รู้จะหนีไปที่ไหนอีกพาไปข้าวหน้าเขาไม่ดีข้าหนีเลยโลกนี้ไม่มีที่จะอยู่ฮะเพราะเหตุอะไร มันไม่ใช่ฐานะที่จะหนีหัวหน้าต้องบอกสูเจ้าต้องหนีเท่านั้นไงเสูเจ้าเข้ามาหาข้าสูเจ้าไม่ดีต้องหนีมันต้องลักษณะอย่างนั้นนะเพราะเป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าสูเจ้าไม่ดีข้าหนีห น, นีคือเคยมีครูบาอาจารย์บองโอหนีเสร็จแล้วก็กลับมาอีกที่เก่าเราจะทำยังไงเนี่ยเนะ่ยอันนี้มันต้องรู้สถานะ การวางการวางตัวอันนี้ทางนี้ทั้งนั้นพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่จะอยู่กับเราไม่อยู่กับจไม่ใช่จะอยู่กับหลวงพ่อโชว์ฟ้าดินสลายไม่ใช่นะต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเหมือนกับเมฆหมอกที่หลวงพ่อได้กล่าวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านมาแต่เราจะไปหนักใจกับเมฆหมอกที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปเราจงรู้จักเมฆหมอกที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เราดูเราไม่ทุกข์ใจกับเขาด้วยเราไม่ดีใจด้วยเพราะเรารู้จักสถานะของเมฆหมอกต้องผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านมาอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นคณะสาญญาัทธายาโจมก็เหมือนกันการดำรงชีพก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องการทำมาค้าขายการเก็บเงินเก็บหอมรอมริบอย่าให้ขาดตกบกพร่องรู้จักวาง เอาไว้เพื่ออนาคตได้มามากน้อยต้องเก็บเพื่ออนาคตด้วยยังไม่ใช่มีเท่าไหร่เอามาใช้หรือช่วยแชกในปัจจุบันอนาคตมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเป็นทุกตัวเองยังไม่ตายแล้วจะหาสิ่งที่เอามามาอำนวยความสะดวกก็ไม่ได้ถ้ามันตายไปมันก็ไม่มีปัญหามันตายเร็วก็จบไปถ้ามันไม่ตายสิ่งเหล่านั้นเราต้องวางแผนความไม่ตายของตนเองไว้บ้างนี่แหละ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งการวางแผนชีวิตของเราไม่มีใครที่จะรับภาระหรือรับความสุขทุกในชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเราเพราะนั้นเราต้องรู้จักการวางแผนวางแปลนชีวิตของตนเองไว้อย่าให้ทุกอย่าให้ฟุ้งเฟอ้อจนเกินไปไม่ใช่ว่าอยู่ดีมีสุขแล้วก็ลืมตัวเที่ยว สัมมเเทมเมาทะเลแถดแถดไปเรื่อยอยางนั้นก็ไม่ถูกหรือว่าอยู่จนไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้การศึกษาเฉลยไม่รู้ไปฟังไม่ได้รับการศึกษาภายนอกเฉลยอยู่แบบมุ่วซี้ีแบบไม่รับรู้รับทราบอะไรทั้งหมดก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะด้านการวางตัวอย่างไรจึงจะถูกต้องอันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราอีกเหมือนกัน เราอยู่ยังไงรจรึงจะเหมาะสมอยู่ยังไงจรึงจะถูกต้องเป็นธรรมต้องใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องใช้หลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่ใจสถานที่ใดก็รู้จักการวางตัวรู้จักบริหารจัดการกับตนเอง ในชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะมีความพัฒสุขในระดับหนึ่งถึงจะพัฒสุขขนาดไหนก็เถอดต้องคิดไว้อยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งนะข้างหน้านะพยายามัดจุราบตีบคอของเราเข้ามาเมื่อไหร่เราเคยเห็นไหมหายใจปลาเนะ่ยหายใจไม่อิม่มกระเสือกกระสนกระเสือกกระสนนะทุกสุขไหมอย่างนั้นเอาเงินร้อยล้านพันล้านให้เอาไหมคงไม่เอาฮะนี่แต่อยากจใจลงเข้าไปในปอด ผลในสู่กระใจขาดทุกคนมันทุกขี่สุดในจุดนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าให้ถึกระลึกถึงความตายวิญญาณเสมอนะมะระนางเมผวาวิสติให้ระลึกถึงความตายชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งต้องถึงจุดจบแน่นอนทางนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันเพียงแต่ชี้ให้ดูว่านี่แหละคือมะระละไพรที่จะสังหารมนุษย์ที่ทุกขี่สุดให้คิดไปนะ ให้คิดไว้นะจุดนั้นนะจะทํายังไงไมันมีช่องทางพระพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจะทํายังไงจะไม่มาจุดนี้อีกมีทางต้องทําใจต้องชําระใจถ้าใจหมดจุดจากกิเลสตาคาโทสะโมหะจิตใจเป็นพระรหันต์เมื่อไรตายเพียงชาติเดียวจากนั้นก็ไม่มาเหยียบแผ่นดิดอีกอย่างดวงตามหาบัวท่านบอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มากับมาเกดิดอีก อันนั้นท่านประกาศได้พระพุทธเจ้าท่านก็ประกาศได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะเราชําระใจของเราบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่จะพามาเกิดนั้นเรากําจัดออกจากพระรย์ของเราใจของเราแล้ ว, ลวกิเลสราคะโทสะโลภโกร่งออกไปหมดแล้วอย่างแต่ใจอันบริสุทธิ์จะไม่มาเกิดอีกแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือ แนวธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเรานํามาประพฤติธปฏิบัติจากนั้นท่านก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันด้วยกันเมื่อท่านล้มหายตายจากไปกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นกระดูกกลายเป็นพระธาตุกระดูกเม็ดกลม ของพ่อแม่กูบายจานเรานะ่ะอันนั้นแหละกระดูกของพระอรหันตนะ์ผู้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วกระดูกเป็นกระดูกเช่นนี้ไนะกระดูกพระอรหันตนะ์นี่แหละอันนี้เป็นหลักยืนยันสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายควรจะมั่นใจได้ว่าพ่อแม่กูบายจานของเราเนะี่ยเป็นพระที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไปแล้วฮนะเวลาให้พวกเราท่านทั้งหลายเดินตามอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีฮทําแต่สิ่งที่มันดีฮะ แวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกในมุมหนึ่งให้แก่พวกเราทั้งท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาไงไปศึกษาณสถานที่ใดอย่าไปเป็นทัพผีแช่อยู่ในหม้อกแกงให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบคอบทบทวนควนคว้าศึกษาทั้งตำรับตำราทั้งปัตตัปิฎกทั้งแนวความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งอยู่ในปัจจุบันว่าครูบาอาจารย์ ที่ท่านแนะนําสั่งสอนที่เราอยู่ด้วยเป็นยังไงแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละสถานที่ถูกต้องตังตามหลักพระธรรมวินัยไหมมีใช่ว่านับถือรับเลื่อมใสก็หลับหูหลับตาเลื่อมใสยอยู่อย่างนั้นไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ศึกษาอะไรอยู่แบบทับทีอยู่ในหม้อกแกงแบบเซ่อๆอจะว่าเซ่อๆแบบโง่ๆเซ่อๆลักษณะยอย่างนั้นะฮ เ, เพราะฉนั้นเราจะได้เป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อสอนให้ ใช้ความคิดนะให้ใช้ปัญญานะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่บทสอนให้ให้นับถือเลื่อมใสเคารพหลวงพ่ออินเท่านันนะ้เป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่นะอะอย่าไปหาคิดอย่างนั้นอีกหลวงพ่อบอกให้มมองมุมกว้างอย่าไปมองมุมแคบมองให้กว้างจังไงมันจะกว้างรับพรอ น, อนโมทนาให้พร